ก็ตานาเกี่ยะกับมันประาลำชันคนตัวนั้นยืยนอยูย่เนี่ยอาการสงบทุกคนถ้าทานด้าขวามือเลยจากรสลานั้นประมาณตักรกดูสมัยนี้นะประมาณสักหนกิโลจากนั้นไปแล้วมองไป็นทเลเพลิงไฟจับติดท้องไฟอย่างแสงไฟจับตรงไปอันนี้คืออะไรคือเมืองนาลกนี่ ฉันเป็นคนมีบุญมากไปจะย่องลงนรกไปแล้วคนมีบุญเนี่ยเขาต้องลงนรกเพื่อไปแล้วแต่แค่ดูเขาจะบอกว่าที่นี่มันเป็นเมืองนรกนะ่ะหลานหลานไปไม่ได้หรอกถามทำไมพวกนั่นเขาทาไมไปได้ท่านก็บอกว่าพวกนั้นนะเป็นคนใจบาปหยาบช้าต้องอดไปแล้ววาระหนึ่งมาลงนรกนี่ ถ้าคนไปพยายามยมก็สอนแล้วให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในสินงให้ทำถ้าเขปฏิบัติตนเป็นคนเลยย้มเขาก็ต้องเอามาลงโทษอีกแล้มุสตะกก็เลยบอกว่าสำหรับคนอย่างหนูใครก็ตามเถิะถ้าภาวนาอยู่เสมอว่าพุทโธหรืออรหังก็ตามคนประเภทนี้ลุงจะพาลงไปในเขตนรกไม่ได้เด็คข ถ้าลุงพาลงไปลงก็จะเป็นคนมีโทษต้องโทษถูกเจ้านายผําโทษลุงเขาห้ามเด็กขายคนประเภทนี้ลงไม่ได้ถามว่าทําไมจึงต้องห้ามก็บอกไปเลยบอกคนประเภทนี้เป็นคนมีบุญหลายไม่เกิดในที่นี้ไม่ได้คนประเภทนี้อย่างต่ําเมื่อจากภาพมนุษย์แล้วก็ต้องเกิดเป็นเทว ด, ดาแล้วเกิดเป็นพมแล้วไม่เท่านั้นก็ไปผ่านก็มีบารมีสูงสุด ร้านลงไปไม่ได้เด็กขาดไปดูไม่ได้บอกอเอางี้ก็แล้วกันครับลงุงไม่ให้ผมลงไปอยู่เลยอย่างเขาจะให้ผมไปเที่ไปดูพื้นที่นั้นสักหน่อยว่าในสลาเขามีอะไรกันบ้างเและคนที่ผมรู้จักพอมีมาจะบอกไม่ได้นุก๊กยิบพื้นที่นิดเดียวลงก็ให้ไม่ได้ร้านไม่มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนมีบุญต่งแรงอีธานี้ดื้อไม่ได้ มานณะไม่ไหวก็ เ, เขาไม่ให้แม่อนญาตแต่จิตใจมันก็ยังคิ ด, ดแบบเดียวว่าอีศาลุงเนี่ยเปิดไปจะวิ่งเตื้อยันไปแล้วเปล่าทําไม่ได้อันนี้ตาลุงที่คนเดินหน้ารู้สึกว่าจะเป็นหัวหน้าอย่างเลขทหารตาคุบอกเรีลขตาคนหลังขึ้นมาเดินหลังสุดเมื่อเร็แๆนี้เขาบอกว่าหลัง ก, ก, กง ล, งกบลงกับบ้านได้ไมาบอกผมกลับไม่ได้ครับผมจําทางไม่ได้เลยเลยครับเนี่ย ผมนึกว่าลุงดูหนังดูละครแล้วก็จะกลับคนคงจะเดินกลับอันนี้ลุงไม่ไปเนี่ยผมจําไม่ได้มันเข้าป่านี่ครับไอ้ป่านี่ผมไม่เคยเลยแทนก็เลยบอกว่าเอาไม่ไป็นไรจะให้คนเขไปส่งก็เลยไปมาตาวายกับคนเดินหลังบอกไอ้มิงนี่มันไม่ดูปล่อยให้เด็กเดินตามไมา่นดะ้ดูหลังน่าจะเระวังคนหลังบ อ, <ม>บอกว่า<อ>กูก็ไล่เชาวบ้าน น, ะนั่นนึงว่ามันไม่เข้าเองบอกแทนก็เลยบอกไม่ได้ มันเด็กเดินตามมาด้วยในฐานะหน้าที่เองมันคน อ, อยู่หลังไม่ว่าตอนเด็กไปทรงไปหน้าที่ของเองไอ้ฐานาันโโานนก่กโสด่าดเจาโหมาก็จับสองขาวียงขึ้นไปบนบาแก่แกก็ถือสองขากอ้อันนี้ขาคุบากตั้งจแาได้จะไม่เดินแล้วพ่วิ่งวิ่งลงมาเเขาแล้วก็วิ่งไปตามทางแล้วก็วิง่งขึ้นเขาแล้วก็วิ่งลงจากเขาไอ้เขาขึ้น ข, นขนล้วงมาตั้งศีรษะพ่อวิ่งไม่เหืย พักเดียวมาถึงบ้านถึงหน้าประตูแล้วก็ทิ่มหัวพูดกับมนันในประตูกอกไอห้หาเจ้าเข้าไปทำใคุณเลยด้วยตอนนี้แกก็กลับพอแกกลับแล้วฉันก็เกิดความรู้สึกรู้สึกตัวตื่นเหมือนันอนหลับฝันตื่นไปพอตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นเวลาดึกมากดีนะทาให้ผมใสไเท้าสาม แะก็ยาจอาบน้ำตกแล้ปูกแล้ก็สั่งูแล้วบังเ อ, อิญลุงที่เป็นพระท่านได้ฌานทัานห้ามไมา่บุคคลอื่นทำอะไรทั้งหมดห้ามแตะต้องร่างกายทันดูนะดูแต่ตามือจะต้องของเยะเสียตามประสิดโบราณห้ามแต่ต้องทุกคนก็นั่งเฝ้ามองดูเอาเวลาก็รู้สึกว่าจะเป็นประมาณสิบสองมาทีไม่ย็นกัน ฉันเลื่ตายข้นมาเห็นคนหนึ่งเขานั่งไกลๆฉัเป็นผู้ชายด้วยนะังบแล้วขาประบทสองสามพรรานั่งมองฉันไอ้มองนี่จะมองยังไงกัมองกัวมัฉันเห็นฉนลืตายข้ามาฉันเห็นแเข้าฉันอยากน้ำเต็มที่ีตอนนั้นมันพราววิ่งแลคอแห้งหมดเขาวิ่งไฉันไม่ได้วิ่งฉันนอนันบ่ากแต่มากยิ่งแนั้นฉันกเต็มกลองเหมือนกัน ฉันลำเดินตาขึ้นกับบอกเขามือก็ยังยกมาสอว่าเรียกเขาว่าน้าจะขอนะ้อนาอกินทั้งทีเถอะอน้า้กินทัน้งั้พอฉันพูดว่านะ้ท่านั้นจะมองมาเห็นเรืงฉันเดินตาจะโดกทับไปทั้งสองวงันร้องไอ้อาววพี้หลอกพี่หลอกนะเอาขน้ดเนี่ยเรื่องของคนมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนไม่เต็มมันเป็นอย่างนงนั่งอยู่ตั้งน้ำนั่งอยู่ได้ก็เยย ใครเราจะขอน้ํากินหาว่าผีหลอกไปแเวลาเราเป็นผีไม่กลัวมาเป็นคนแล้วกลัวนีคนมันเะยย้ำยังย้ำทาตัวให้เป็นพ้นจากความเป็นคนให้ได้ถ้าใครยังเป็นคนอยู่เมื่อไร่เอาดีไม่ได้มันไม่หมดอยู่นี่เรื่องที่ไม่น่ากลัวก็ดันไปกลัวให้เราอยากน้ําเกิดตังโอเคอ่อยาวเวไวยท่านลวงที่เป็นท่าก็เลยบอกกูกลับแล้วแม่พ่อบอกกลับแล้วพี่ ทุกคนเฮโลเข้ามาเลยไม่ใช่ว่ากลัวผีถ้าแม่ดอกก็บอกของฉันแย่างนพูดกลับแล้วลูกกลับแล้วลูกน้ำตาเย็นลงอันเห็นันแม่ร้องไห้จนก็กแปลกใบอกแม่ร้องไห้ทำไมครับขอน้าพงกินขันแม่ก็สังตักคำน้อยๆก็คืจะเป็นจะเป็นลมไดไงเว่ครับถ้าลุบอกตักไม่ขันเี่ยใหญ่ไม่เป็นไรแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้กินเท่าเน้ที่มันเสียไป ฉันล่อทศขันลูกบาดเขาเรียกขันลูกบาทไอขันล้งเห็นันเขาตักมาเต็มขันน้ำผลน้ำผลต้มบ้านฉันฉันแม่ฉันลุงฉันเพ่งคัดรอน้าต้มกันเลยไม่เหมือนฉันฉันตอนบวชฉันมีน้าอะไรก็จะว่าเลยนี่ท่านต้มหล้อไม่ต้มฉันกินดัดพอไปทวดองหากินไม่ได้น้าต้มหักจอทวดงแต่จะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องแปลกเราเนี่ยทานเงยงจะเนี่ทานดีกว่าปะปนธรรมะไปด้วย เม alloy, Wed Wed, mal, ื่อทกิน <up> น uh, ้อิ่มก็มีกลังรู้สึกสบายหมดานเขาบอกของบจะเป็ลูกลูกเดนี่ไม่สบายบอกผมไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมไม่ตายแล้วครับผมไปตายวคุณตายมาแล้วคุณเลิกตายแล้วครับร่างกายผมก็หายเจ็บยป่วยเธอมาคลต้องสบายดีลูกปวดไหมลูกกินยาหน่อยท่าลุงบอกผมไม่ต้องกินแล้วเขากินยาทิพย์เราไม่ต้องกินยาเราแล้วเพราะว่า โลกเขาถอนไปหมด้วเมื่อท่านมีเาเห็นร่างกายปกติก็เลยเล่าสาในป้เล่าจะเล่าซอนเลมันเล่ามาแล้วเราฟังมาแล้วก็แล้วกันตามนั้นทุกคนก็ดีใจกันใหญ่ทุกคนสนใจว่าพอนาววพุทโธรหังเขาไม่เอาหรือเขาไม่เอาหรืออย่างไหนแน่บกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ต่อมาก็ปรากฏว่า แม่ต้องเป็นครูภาวนาภาวนาผู้ตัวร่างแล้วคนทั้งหมดจะกลัวกันกลัวความตายแล้วราก็ทาบุญเอาหน้าภาวนากันตายนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ความจริงการตายเฉยๆนั้นไม่ได้กันขันห้าตายไม่ได้แต่ว่ากันไอ้จิตวิญญาณและจิตนั่นที่มันออกไปจากร่างมันก็เป็นตัวเง่ายๆจิตนมันไม่ใช่เป็นโดวงๆนั่นเดิย ไอ้คนไม่เคยเห็นจิตอันแล้นว่าเป็นดวงเป็นเด้งความจริงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวอย่างเราเนี่ยเป็นตัวอีกคนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าจิตจิตตะจิตเข้ามาปฏิสมธีไอ้ตัวรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีแขนมันมีขามันมีตามีมหน้ามีหลังมีหัมีหัวเมียทั้งเล้เหมือนกันเหมือนอย่างเราเหมือนทุกอย่าง ไว่าลาจิตมันยกแขนจิตทิ่แขนแล้วก็ปล่อยยกมาแขนมันผมแขนมันงอยู่ขามันสมขาหน้ามันสมหน้าตัวมันสมตัวมันมันก็บิดตาของมันตานอกของมักับพิดมาปากข้างในมันพูดปากในปากนี่มันกับพิษมันก็ครอบตัวอยู่ทุกอย่างนี่นะพูดอย่างคนตายแล้วเป็นมาแล้วนะไม่ใช่อย่างพิกตําราดูพิษตําราดูแต่ใครคนถึงตําราไม่เป็นไร แต่สำคัญตำรามันถึงคนไอ้คนมันไม่ถึงตำราถ้าคนถึงตำราจริงๆตำราเขาว่ายังไงปฏิบัติอย่งางไัเขว่ากรรมฐานมีสมาธิสามารถาทำทิตยากุญญาให้ปรากฏได้เขาทำให้มันปรากฏทำมาเป็นยาให้ปรากฏได้เขาทำให้มันปรากฏอะมันจริงจริงอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ถ้าเราจะเป็นคนให้มันเต็มคน ทำแม้เข้าจริงๆมันถึงจริงๆมันก็เห็นจริงๆจะรู้เลยว่าจิตนี่ไม่ใช่สภาพเป็นดวงเป็นเดืองอะไรที่เกียไรจิตมันหลดต้อพุทธเจ้ามาดูจับอย่างนั้นอ่านพระไตรปิฎกันแล้วบงเรื่องต้องพุทธเจ้าพูดทำไมบอกธรรมบัญญัติทุกสิบปีหนึ่งคอวิางไอ้วิญญาณหมาถึงามรู้วิเศตเป็นตัวสังธรรมบัญมัติเข้ากัจริงๆมันเป็นกายแต่เป็นกายที่ คิดแบ่งเอาเปสองทิศคือทิศนรกกับทิศตะวันไม่รู้ทำไมว่านารกเป็นทิศก็ไม่รู้ก็ ม, มองไม่เห็นมันก็เป็นกายเหมือนกันกายเบาๆแต่ถ้าว่ามันไม่สวยไอ้ทิศนรกนไม่ใช่มันเียกว่าอาทิศสมาระตายคือเป็นตายที่เรามองไม่เห็นแม้ว่ามันมองไม่เห็นก็เลยเนี่กว่าเปน็นกายทิศ ตอนนี้คนเราเมื่อปฏิบัติถึงธรรมะของมาะพุทธเจ้าภาวนาไว้อย่างนั้นถึงแม่ว่าอารมณ์จิตจะไม่เข้าถึงความเป็นมาจะไม่เข้าถึงสมาธิอย่างถูงมัแค่อุปจาระสมาธิก็พอตัวรอดได้ถ้าตายในสมาธิความจคนที่เขากลัวตายคนนั้ น, นออ ก, ก็ามาขอเองกับท่านแม่ก็มไม่เสียผน เป็นเชื่อว่าอาบน้ําเราไม่ตั้งใจจะอาบโดดตรงเป็นน้ําแล้วก็รีบขึ้นมันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เคยลงน้ําเลยมันมีความเยือกเย็นก็มีความทุ่มเนใจข้อนี้มีอุปมาชนใดเมื่อาการภาวนาว่าระหังห ร, รือโพธิ์โธเหมือนกันก็สามารถจะทรงสมาธิจิตให้เกิดขึ้นได้พอเป็นพุะทาลุสติสมถันเหมือนกันได้คนเท่ากันที่ทําไมเขาจะมาขอเรียนกันหนะักก็จะขอเล่าเหตุการในตอนนั้น เมื่อกันพกเพิ่งคือตัวขึ้นมาแล้วอาการของโรคยังไม่หายไปจากจากตำบล น, นั้นคนยังตายกันอยู่วัดไม่มีที่ฝังฝ่าช้าเต็มไปหมดฝังนั่นเกอนเต็มไปหมดห น, า น, น, าหนาในขนาดใจแต่ตอนกลางคืนท่านผูกฝังตั้งแต่มืดสนิทลงไปแล้ว ตามโหยโหวนจะปรากฏบังเกิดเึ่นกับบรรดาประชาชนสายนั้นสุนักจะเห่าหอนเิดปกติเยือกเย็นหอนอบอกไม่ถูกมันเย็นจริงๆฟังสุนัแล้วก็ขนตัง้งไอเสียงที่กัะสิเกิดทราบติพูดการใกล้ๆสาวเอือนมันได้ยินเป็นปกติได้ยินจริงๆไม่ถูปาทานคนในหมู่ทั้งหมู่นั้นทั้งหมดมารวมอยู่ที่บ้านแม่ฉัน แม่ฉันก็ให้กำลังใจแต่คนทุกคนว่าความตายเป็นสุคติไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พ่อฉันตายแล้วปู่ฉันตายแล้ ว, ย, ลวย่าฉันตายแล้วท่านนิพพุกุยกับฉันมากท่านพูดกับพวกนั้นนะไม่ใช่ฉันพูดคนทุกคนเกิดมาต้องตายแต่ว่าการตายเราก็ควรตายดีอย่างคนเล็กเป็นตัวอย่างเขาเรียกฉันว่าคนเล็ก บางทีถ้าก็เลยไอเล็กเพื่อนนะไม่มีใครเขาเรีย้ยงบอกว่าหนูว่าอะไรเป็นตัวอย่างนี่แกตายเป็นตัวอย่างป้าสายภาวนาว่าพุโทโธแล้วทางเมืองผีเขาก็ยังสั่งมาเลยว่าคนที่เขาภาวนาว่าพุโทโธหรืออ่ า, า, าอหั่นเขาไม่ยอมให้ลงนะลกพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรตั้งใจว่าเราจะไปเกิดบนสวรรค์กันเถอะพวกคนอย่าทําบาปเลยนะ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำเลยนะถ้าเราจะทำกันมั่งเราเป็นคนญากจนก็กินไข่เลี้ยงไก่ไปกินไข่ก็แล้วกันมันบาดแค่ไข่ก็คงไม่เท่ารานะยนักตัวเองก็ฆ่าตัวมันจะหาผักหาปลามาเป็นอาชีพเลยเพราะว่าชีวิตของไขรไทยก็รักนี่ความตายเข้ามาถึงพวกเราเร า, าก็รักเราก็ดิน้นรนกันวนก็วัน ก็สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเราคิดหรือว่ามันจะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราแต่ความจริงมันก็ต้องการความอยู่เป็นสุขการที่เราจะไปจับมาฆ่ามันมาแกงเอามากินมันไม่พอใจแล้วมันดินน้นรนมันหนีทรวนทุรายที่เราคิดว่ามันเป็นอาหารของเราก็เพราะเราเป็นคนเลวตัางหากไปรุกรานเขาซึ่งเขาไม่เคยทำอันตรายให้แกเราเลย ท่แม่ก็พยายามเข้า่้ำสอนคนนั้นแล้วก็พยายามให้ น, นึกถึงคุณพระรัตนไตรท่านให้สมาทานศีลห้าทุกวันทุกเชา้าทุกคำ่ำตอนเช้าก่อนที่คนนั้นจะกลับท่านก็ต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์กับท่านใครสวดไม่ได้ท่านก็สอนโดยมากท่านก็ไม่สอนอะไรมากสอนว่าอิติศิวะภาวนามหาการมีโกดบแล้วก็ให้เขาสมาทานกรรมฐ า, านนั่งกรรมฐ า, านเยี๋ยวหนึ่งกลับบ<ม>้านได้ ตอนกลางคืนตอนเย็นมาถึงบ้านท่านก็ต้องมีทูกเดือนพร้อมมาถึงก็บูชาพระพร้อมกันทำวัาสดมนพร้อมกันใครว่าไม่ได้ท่านก็สอนโดยว่าท่านนําเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ทุกคนหรือว่าไม่ครบคน <Okay. S 1> ท่านนําแล้วถ้าก็ให้ภาวนานั่งภาวนาเป็นสมาธิเยือนที่พวกเราทํากันอย่างนี้พักหนึ่งตะกันเลยทําก็อาการอย่างนั้นนะคนือเป็นปกติ เราเป็นหน้ารายการบางเอิยจริงๆโอ้ที่มาปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีใครเป็นโรคเลยเมื่อนานบางครั้งท่าแม่ก็เลยกลายเป็นครูกรรมฐานแต่ท่านก็บอกนะว่าท่านไม่ได้อะไรมากหรอกท่านก็ได้แต่แคบภาวนาแจําให้ทํานนำเหเสียงสามท่านไม่ได้แต่ใครอยากจะได้มากๆกว่านี้ให้ไปเรียนกับหลวงพ่อปานทําไม่าอย่างนั้นท่านบอกหลวงพ่อสอนใหมนี้พดให้ใจเข้าโทให้ได้ออกท่านลาหวาอย่างนั้น มาไปเถอะโดยไม่ต้องสนใจอะไรนีเมื่อฉันเพิ่งคืนเข้ามาแล้วท่านแม่เป็นครูกข้ามาทานันครัหนึ่งมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นเด็กประมาณสองยามกันต่นขึ้นท่านพี่ตัดสา ว, ว่ายังได้ยิงคนมากมายทีเดียวเดี๋ยวเพื่อจะไม่รู้เท่าไหร่โวดกระเพื่อมในหญ่ปวดเออ่ ก็ต้องไม่รู้เรื่องเดินผ่านทางหลังบ้านไอ้ทางหลังบ้านนี่มันไม่ใกลาจากตัวเรียนมากนะไกลประมาณไม่ถึงสิบวันเป็นทางหลวงงั้ก็ เ, ก เ, เ, กเรียกทุกคนในเตงขึ้นมาเสียงใครมาเพรคนเตงขึ้นมองตาหน้าต่างได้ไงมองไม่เห็นใครเลยเขารู้แล้วว่าเป็นพวกผีแน่ตัวสั่นไปหมดกันแม่บอกอย่าตัวสั่นพวกเขาเปิดพกอุจจาระให้พอนเขาให้เข้าไปเป็นสุขไปสุ ข, สข อาพวกนั้นก็ว่าตามฉันแม่รู้สึกว่ากำลังใจดีมากเพราะถ้าผ่านไปถึงหลังบ้านฉันหมามันทั้งเหา่าทั้งหอนเหาแล้วก็หอนเสียงเยือกย็นเสียงนคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดว่าเฮ้ยเราจะกลับแล้วเว้แบบเยแวะเยี่ามไอ้ปลืมหน่อยวะไอ้นคนใต้บ้านหมู่ติดกันเ้าป่วยเป็ น, ปนไข้ว่ากระมังเพียรหนักถึงสุดไฟแดง วันนั้นเขาค้นป่วุดเปลืมอมเพรว่าใบี่ยมเสียงสนัทบนนั้น ท, าทาังง้งเห่าทั้งหอนจัดพอคู่หนึ่งก็เสียงสนัท ห, ห่าหอนออกมาบอกเอเอไปนะเพื่อนยากยิ่งกันล่แล้วก็ไปแล้วเดินหายไปนับแต่ ว, วันนั้นมาไอ้โรคหิบบาลก็าหายไปแสดงว่าคนนั้นกลับวัน <c oughs> นี้ตอนเชา้าไปถามบ้านดับลืมถามาคืนนี้ใครแวะ บ, บา้าน ทั้งบ้านเขาตอบไม่รู้ไม่มีใครทุกคนอยู่ในอาการสงบสถามตับเลือดจะเพื่ ม, มอาการดีขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่คนพอตกเท่ารู้สึกกับพี่กับเราก็ถามว่าตา่นคืนนี้มีใครไหมแว่วยมองเปล่าตกไม่มีนี่มีแต่ตาฝันไปฝันไม่อย่งไรถามได้ว่าฝันไม่อย่างไงครับตาฝันว่าคนเขาเดินผ่านมาหลังบ้านหลายร้อยคน เพราว่าทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับถามว่าก็ทํางานอะไรรู้ไหมแต่ก็บอกไม่รู้ก็บอกว่ายังเขาบอกว่ า, า, า, าทำงานเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วเขาก็มาเยืยนตากเ้ามือวันลูบๆบอกเออเพื่อนไม่สบายเลยเาหายนาทีนะต่อไปนี้ก็คอหายแล้วเขาก็ปั่นรงกำกับที่เรารู้ว่าคนจะเข้าแบบไรเงี้ยแต่เบ้ า, บา น, นั้นรู้เดื่การฝันแต่ว่าคนเกิดบคนเดียวคนป่วยคนเดียวหรือคนฝันคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วย กเป็ น, น่าสะในี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนกั น, นเรื่องผีเข้าบา้านนี่เขาถือใเล่าถึงอาการตายวาระที่สองวาคนเรานั้ไม่มีความตายัปอย่างนี้จะไปวาสะดุ้งเลยความตายเป็นของธรรมดาเ ม, มื่อความตายมีจริงอย่างนี้ก็จง น, นึกมาโดยวันกับยสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดเวลาตายใครเอาอะไรไปได้บ้าง อ้าร่างกายนีเบอร์คบงมงกุฎนนะแต่งตัวโดตรสวยงดงามหลงไหลไปฝันมาตัววิเศษความจริงร่างกายทั้งร่างกายถึงจสิ่งที่จอมสกปรกที่สุดไม่มีวัตถุธาตุใดาๆที่สกป ร, ปทรกทรวรรจ์ใครเคยพิจารณาบ้างใอรเคยรู้บ้าง ว่าร่างกายของเราเป็นร่างกายทีสกปรกที่เกิดกวัตถุทาตใดๆท่า น, ทนผู้ฟังอาจจะงงคนงงนะคนไม่รู้อะไรเลยวัตถุธาจะเป็นหินก็ดีตัวก็ดีทายก็ดีเงินทองแร่าตุ่างๆก็ดีมันจะสกปรกก็เพียงแด่ว่าผิวของมันแต่ต้องกับสิ่งโสโครกเขา แล้วการแตกต้องกับริงโซโครกไจริงโส โ, โครกก็อยู่ในก้อนไม่โตตม อ, อยู่ไม่ทะลอยกันแต่เดี๋ยวก็สะอาดไปเลยก็สกปรกก็าถูกน้ำชะล้างมันก็สะอาดแตจริงโส โ, โครกมันกระทบกระทั่าทางมันเข้ามันก็สกปรกแม้แต่อาการของวัตถุธาตุตัวร่างกายของเราอ่ะมันสกปรกตอนไหนเห็นไหมคนฟังทุกคนเห็นหรือยัง ใครรู้บ้างว่าร่างกายของตัวสุปกปรกถึงรู้ก็บาถทีแกล้งทําเป็นรู้แต่รู้จริงนะไม่มีคนรู้จริงต้องเป็นพระอาจานย์ดูบอกกัด้วยว่าคนรู้ว่าร่างกายสปกปรกจริงๆจะเป็นของหน้าเบื่อนหน่ายนั่นคือพระอาจานย์คนฟังที่ยังไม่เป็นพระอาจานย์รู้เหมือนกันจะไม่จริง ก็รู้หลงหลงว่าขนาดนี้รู้ว่าร่างกายตกปรกแตอีกกว่าเดียวหนึ่งแต่ก็รู้ว่าร่างกายสะอาดเห็นไหมร่างกายเป็นของดีเดี๋ยวจะถามท่านผู้ฟังทั้งหมดว่าไอ้ทีไอ้เยี่ยวไอ้สเลดไอ้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายอะไรพวกนี้เป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดใครเคยเอาอุจาระ มาห่อผ้าใส่กระเป๋าใส่เสื้อเก็บไปเป็นสมบัตินี้บ้างไหมเอาปสวะเก็บไปเป็นสมบัติเพื่อตกทอดมอบให้แก่ลูกหลานเป็นมรดกตกทอดนี้บ้างไหมเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องดีสเลตทำลายแล้วนี้จนเก็บไปตกทอดเป็นสมบัติของลูกหลานเพเป็นมรดกตกทอดที่ลูกหลานจถานานี้บ้างไหม า บ, บางท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะไอคนพูดที่ท่าจะบวมบวมแต่แล้วทําไมบ้ากับบ่มแล้วไอของอย่างนี้มันสศกปลุกโศกโรกทั้งนั้นไม่ทําไมจะมาถามว่าต้องให้เกิดไปเป็นทรัพย์ประดกตดกทอดโอนให้เกิดคนนั้นโอนให้เกิดคนนี้ก็ไม่ต้องหรอไม่ต้องไปโอนให้เขาหรอกเขาเกิดมาเขาก็มีขอแล้วแล้วไม่ว่าบ้าว่าบวมก็ยอมรับ ไอ้ฉันไม่ใช่คนดีไอาฉันเป็นคนดีฉันก็รู้ตัวตัวชันดีมัเรียกว่าตัวชนมันเลวอฉจะไม่เป็นคนดีเลยประชาชน่างเมืองเขหาว่าตัวเขาดีต่างนั้นไม่มี้ใครเขว่าตัวเขาเลวสมิ้นฉันเบาๆตัวฉันมันเลวแต่ว่าพวกอย่างนี้ตอนนี้หาว่าตั้งไม่เลเมื่อตั้ง็นดมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นของศัตรูของตัวเขาก็อยากจะถามสักนิดหนึ่งว่า ของเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนไอ้ของเหล่านี้ที่เดียวเนี่ยไม่ต้องไปเรียกอุจาราปรสาัสาวะนก็รู้มไม่ตรงไม่ตรงอุจาราปัสสาแตกปัสสาวะแคกที่เดียวเลือดน้ำหนองน้ำเลืองะเล็ดน้ำลายเอาแท่นี้มันอยู่ที่ไหน ว่าจะถามมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมเอาตะเก่งใครปฏิเสธแล้วก็ยุ่งแหละใช่ตอบต้องตอบว่ใช่เมื่อใช่แล้วถามว่าไอ้ตัวเรานี่มันหุ้มหออะไรเไว้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันตกปรกแล้วก็อยากจะรู้ไปของที่มันตกปรกที่อยู่ในร่างกายเนี่ยอะไรไม่สะอาดเลยที่สะอาดเลยเยื่อสะอานเลยนวดน้ํำน้องน้ําเหลอสะอาดเลย เล่เนื้อหนังมังสาเท่มปรากฏดมีผิวผ่านกันมามันก็วเกิดจักไอ้พวกนี้ละลวดนี่แหละเลงร่างกายผ่องใสน้นำเหลืองน้ำนองก็ลี้ยงเลีอ้ล อ, อะไรก็่ลี้ยม่เยอะมเะหมอนมีรื่ได้เคลียร์เยอะไอ้เรียก็อาหารที่เรากินเราเรียร์ทุกวันท น, นเอาก็แล้ว ทุกวัเรากินอะไรกินขี้อะไรเป็นขี้อาหารที่กินนึ่ข้าไปมันเป็นขี้กินเข้าไปแล้วมันเป็นตากมี่ึิ้ออกมาหายทิ้งออกมาทางทางทวารหนะกต้องปวดตงวดหายพึงออกมาแล้วเมื่อกินสันกิน่ายนั่นก็ไม่ดนี่ก็ไม่ดต้องกินอย่างนั้นต้องกินีกินแล้วมันก็เป็นขี กือแค่อินไอคนเมากินมันไม่ไรู้จักภาษานล้วหมดตัวเงินกินนะไม่เล่นไม่เลยกว่ากินแล้วเป็นอะไเป็ขี้ขี้เอาแล้วไปไหนเอาไปเป็นปุ๋ยรถผักบันทีหมูกินขี้ปลากินขี้ทอกปวดข้าวขี้ไปเป็นปุ๋ยร ถ, ถผักผักงามแล้วก็หมูปลาเนื้อมาให้เรากิน เอาผักมาให้เรากินิ้งที่เกา่าที้เก่าเข้าไปเป็นที้ใหม่ในขี่ใหม่ออกมาแล้วก็เป็นอาหารเราต้องเพื่ตากเพื่อตากก็เป็นเกิดกขึ้มนมาได้เพระาะอาศัยขี่แล้วก็ติ้งที้ต่ออีกนั่นไม่อไม่เราจิ้งของสระปลกแล้วมันมีอะไรสกัดนั่นเอาก็ลแล้ไหมล่ะเห็นไหมร่างกายของเราไม่มีความสกัดมันไม่ดี ตั้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้แล้เราจะไปโ ม, มเมาในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรให้ต้มอยู่ในเรื่องน่าสิเลตปัญหาเพื่อปย์อะไรใ้ตัวน้นแต่งกันไปแต่งเท่าไรก็ตามมันก็ตายแต่งเท่าไรมันก็แก่แต่งเท่าไรมันก็ทุกข์โศมแต่งเท่าไรก็ป่วยไข้แต่งเท่าไรก็ตายจะแต่งไปเท่าไรมันก็มีทุกข์ มีสัจธัรมมาทลายก็มีทุกขเหมือมีใครมีสุ ข, สขคนที้สุกก็เป็นผีตอนนี้ตอนเป็นผีเราเลือกหรือเปล่าเลือกหรอยังนี่มันตายแน่นะบางคนที่ฟังาตายไปทราบมีดีนฟะังจบแล้วไม่จบบางคนไม่จบตายก็ได้บางคนไปจบแล้วก็เดือนเดือนอาจจะตายก็ได้อันนี้เราฟังเนี่ยจบไปแล้วจะผีเรื่องผีอาจจะตายก็ได้ไม่แน่ ความตายไป็นของแน่แต่ความเป็นอยู่ของชีวิตไม่ใช่ใของแ น, น่ไม่รู้ตัวว่าจะตายเลือกทางแบบนนีย้ยังเลือกที่อยู่หรือยังหาที่อยู่ไว้ใช่ไหถ้าอยากอยู่เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตราศร์กายเป็นสัตว์ใดๆทำบาปกรรมให้ ม, กมากๆลวงเหรอเฮ้ยทำบาปสร้างบาปให้เยอะๆไปไหม ไปเป็นสัตรกถูกไฟเผาขุุกูกหอกถกดาบนันเหล่าทิ้ทังอีกร้อนไม่พอถูกอาวุธอีกเต็นเศษอดอดอยากอยากถูไฟเผาหัวไม่จากพัดบนหัวบ้างอะไรต้องมีน้อนกินบ้างรัตกรรมแนวตัวกายผีที่อดอยากต้องกินได้ของเศดอาหารที่ทึงเน่าเน่าเปื่อยๆบ้างเป็นสัตริษฐานไม่รัอมดิานไม่มีอิสระเป็นของตัว มีผลของบาปแม้เอานะอยากไปเป็นอย่างนั้นก็ทำบาปออกมาถ้าอยากเป็นมนุษย์จะเริยมนุษย์ที่จคือรักษากรรมจิตให้ครบคนกรรมจิตมีอะไรบ้างแม่ทบายไม่ใช่นาทีจะมาเทศเรื่องให้ฟังไปถามพระเขาอะไรกันว่ากรรมจิตมันมีอะไรบ้างอยากจะเป็นเทดาก็ปฏิบัติในฮีรีและอุตตมะ ไอ้กบขวดคือมีความละอายต่อความสั่วทั้งหมดเกรงกลัวฝนกัความขั้วทั้งหมดขึ้นที่ว่าความสั่วเราไม่ทำมีเทวดานะตั้งแต่พุ่มมาเทวดาึ้นไปนะั้นเขามีความดีอย่างนี้นะมันเราไม่ควรไหวกันไอ้คนมันไปดูถกดูหมิน่นเจ้าปม้ทีนะเขาเรียกว่า่มมาเทวดาคนที่จะเป็นเทวดาตั่งได้ต้องมีที่ที่าประปมีความดี อะไนีคนตีพระภูมิกักนกไอ้คนมตีพรนะภูมิน่ะมันมีความดีไม่เท่าพระภูมิกามีความดีเท่าพระภูมิไม่ตีแล้วคนดีเนี่ยก็ไม่หทายาบ้านคนถ้ายกทยาวบ้านีคนไม่ดีคนเลวมีพวมกมายต้ตัวแล้วก็ดีปากเลวริใจเลวจรงมาตตัวก็ดีได้ยังไงมีอะไรดีคนตนี้บไม่ได้ ถ้าอยากจะเป็นเทวนาคก็ตั้งอยู่ในที่ที่เราตั้งถ้าอยากจะเป็นพรมจะเดินกรรมฐานให้ได้ฌานแล้วตายในระหว่างฌานแล้วตายฌานปกติถ้าอยากจะไปนิพพานไม่อยากไปง่ายนิเดียวนิพพานไปไม่อยากตปนิไม่นิพพานคือการสดไม่มีความปรารถนาทุกสิ่งในโลกตัดขันธ์ความพอใจในโลกที่ให้เกิดไมตสร้างการ เป็นอะไรอ่ะไม่พอใจไม่อยาโยมันอินโลกนี่สามโลกโลกม น, นุษย์โลกเทวนาโลกตัมันไม่ต้องกันเ้าต้องกา ร, รนิพพานยามว่างกับภาวนาวันวันนิพพานหนึง่งนิพพานน่งสบายใจให้จิตใจมันปลุกเขาไว้เวลาตายแล้วก็ไปนิพพานแ น, น่แต่ต้องภาวนาด้วยความเต็นใจเป็นปกติโดยไม่บังคับใจจิตใจปลุกฟังเป็นปกติไม่ใช่ภาวนาล้อเล่น จะเอาแบบชนิดเอาบุญเอาหน้าภาวนาการตายไม่ได้นะต้องเอาควาจริงแจ้งเหนอะไรเกิดความเบื่อหน่ายอะไรในโลกปรากฏว่ามันเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้หาทุกข์ให้พบ ก, ก่อนอะไรมันเป็นทุกข์จริงๆเราทุกข์อะไรม่อธิบายในที่นี้ไม่อธิบา ย, ม อ, บายมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นเป็นทุกข์หมดไม่มีอะไรเป็นแดงของความสุข ก็เป <departed. |mt|> ็นสิ่งที่บำรุงความสุขแท้จริงไม่มีเลยแล้วก็หาเหตุของทุกข์ให้ปรากฏแต่ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรหาเหตุให้พบเมื่อหาเหตุของทุกข์ได้แล้วพบทุกข์พบเลยก็ทุกข์ก็หาทางดับทุกข์ก็ปฏิบัติในมัจจัดได้แต่สิ้นสมาธิปัญญาไมทำสิ้นบริสุทธิ์ทำสมาธิให้เป็นฌาน เมื่อการตั้งมั่นแล้วปัญญาในวิพพานญาณก็ปรากฏเจรินนิพพานญาณให้รู้แจ้งเห็นจริงต่างความเป็นจริงเมื่อยอมรับนับถือ